มังกรหยหกภาคสองตอนที่9กตอนกำเนิดเทพธิดาทะเลตายแผ่นดินกำเนิดอัจฉริยะทุกสมัยคนรุ่นใหม่ทดแทนคนรุ่นเก่าตลอดไปคลื่นรุ่นใหม่ซัดเข้าฝัง่งคลื่นโ ล, นลกเก่าย่อมหายไปเป็นสัจจะแท้จริงนี่เป็นคำพังเพยประโยคหนึ่งและเป็นคำโบราณคำหนึ่ง แต่คำที่เป็นวาจาและคำโบราณนั้นล้วนมีเหตุผลโดยเฉพาะในยุทธจักรที่แค่ไม่เคยมีวันสงบสุขแม้สักวันเดียวยิ่งก่อเกิดวีระบุรุษไม่ขาดสายสถานการณ์ที่ปั่นป่วนวุ่นวายยิ่งสร้างเสริมวีระบุรุษได้โดยง่ายวีรบุรุษทุกแบบทุกลักษณะทั้งวีรบุรุษที่ดีและวีระบุรุษที่เลว ทั้งวีรบุรุษที่มีชื่อและวิรบุรุษนิรนามมีทั้งวีรบุรุษที่ประสบความสำเร็จและวลรบุรุษที่ล้มเหลวในวิรบุรุษอันมากมายหลากหลายสีสันต่างๆนานาผู้ที่ได้รับความวิพากวิจารมากที่สุดถูกกล่าวขวัญบ่อยที่สุดเมื่อ20ปีที่ผ่านพ้นเกรงว่าจะเป็นประมุขแห่งวัดเซี่ยวลิมยี่ มีคนจำนวนมากถึงกับเดินทางเข้าสู่สำนักเสี่ยวลิมจีนับว่าเป็นสำนักที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นหนึ่งในยุทธภพผู้คนล้วนสรรเสริญล้วนยกย่องท่านประมุกผู้เป็นสิทธิเอกแห่งซื้อไท่ไทอิม่มผู้โดองดังจากวัดเอกบูลิมซึ่งได้พาเหล่าชาวยุทธออกมาก่อตั้งสำนักเสี่ยวลิมจีสืบทอดวิชาฮบสิงธรรมกาย ของปรมาจารย์จนเป็นสำนักที่ยิ่งใหญ่กว่าเอกบูริมผู้คนล้วนหลั่งไหลเข้าสำนักเซี่ยวลิมยีโอหยางซางก็เป็นสตรีนางหนึ่งผู้เลื่อมใสท่านประมุกเซี่ยวริมยีนางได้เข้าสู่สำนักโดยเป็นผู้รับใช้แห่งสำนักอยู่นานหลายปีนางไมิคิดแม้เพียงสนิทที่จะฝึกฝนวิทยายุทธ ในชุนเทียนคือฤดูใบไม้ผลิณบ้านหงบวนเซี่ยวหึงหรืออุทยานเหมือนสุขวัฒนาอันงามตราการล้วนมีบุพผาแผวพันผู้คนมากหลายอย่างนีเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่80ของซื้อไทยไทยอิมหญิงสูงอายุที่มีบุญวาสนาที่สุดในยุทธภพท่านประมุขแห่งเซี่ยวลิมยีได้จัดงานเฉลิมฉลองให้สื่อไทย ผู้เป็นอาจารย์ของตนอย่างสมเกียตสซังเจเจพวกเราก็าไปอวยพรซื้อไทยไทยอิมกันเถิดผู้คนล้วนกลับกันหมดแล้วกลุ่มสตรีปลายแถวของสำนักผู้มีหน้าที่รับใช้ที่มิได้ฝึกวิทยายุทธใดๆกำลังรอที่จะเข้าอวยพรซื้อไทยไทยอิมก็ได้เข้าอวยพรเป็นกลุ่มสุดท้ายไทยอิมสือไทย สายตาพลันประสบโอหอย่างสั่งดลุนีนางนี้ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าน้ำตาแห่งผู้เท่าคอเบา้าเร่งรีเขาบีบต้นแขนนางประดุ์ไม่ได้พบปะผู้พึงใจที่สาบสูนมาหลายปีในที่สุดข้าก็พบพานวีรศตีในสนามหลบหลงมลผู้คนมากมายเคียงกายข้อ มากคนมากปัญหาจะหาคนจริงสักคนดุดดมเข็มในมหาสมุดอาพวกคุดรู้ให้หนูอยู่วันนี้ข้ามีความสุขจริงจริงสตีชลาพลันยกมือเคาะใส่ศีรษะดลนีผู้ตื่นตนกในปฏิกิริยาของภูเ่านางได้แต่คุกเข่าต่อหน้าดุดรับคำสั่ง นับแต่นี้ต่อไปเจ้าจงลีลีผู้คนลงเขาไปสู่แดนตายในไม่ช้าเมื่อวันพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงขึ้นส5บห้าค่ำเดือนสิเจ้าจะพบอาจารย์เจ้าจงรีไปการข้างหน้าเจ้าจงรับปากเล่าหูได้ไหมหากยุทธภพเกิดภัยเจ้าจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง แม้ชีวิตก็ต้องอุทิศเพื่อยุติภพนี้เมื่อประสบความทุกข์ยากเจ้าจงอย่าท้อจงรักษาความดีดุดเกลอรักษาความเข้มจุติจากที่สูงย่อมต้องกลับไปที่สูงกลับที่ต่ำไม่ดีเลยอย่าลืมคำของข้าพูเท่าชีวิตนี้ต้องอุทิศได้ แม้เลือดทุกยาิยดเพื่อยุตธบบดีว่าพันสือไทยไทยอิมก็ล่วงเข้าไปในอกเสื้อยิบห่อของชิ้นหนึ่งยัดใส่มือโออย่างสั่งผู้ยังไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดไม่ยืดญาตยื่นเจอไม่กล่าววาจาใดผู้เท่าไทยอิมพลันโถมล่างเข้าตะบบดารุณีบังเกิดเป็นพลังวายโยธา หมุนวนดังพายุทอร์นาโดพัดร่างดารุณีส่งลงเขาไปทันทีจงคำผู้เท่าไว้จงรักษาความดีดุดเกอลอรักษาความเข้มหน้าที่ภาระมากมาย ใ, ในการข้างหน้ารอเจ้าจอยู่เราผู้เท่าขอส่งเจ้าแต่เพียงเท่านี้โ อ, อย้ยางสั่งขณะนี้ ยืนงุนงงอยู่ด้านล่างเขายิบห่อผ้าที่รับมาแก้ออกดุปรากฏเป็นลูกแก้วจันทาไทอิมจันทร์ประผาสองประกายเ จ, จิดจลัดเหลืองนวลสว่างทั่วบริเวณอันลูกแก้วนี้ท่านสื่อไทยไทยอิมได้มาจากท่านปรมาจารย์เจ้าสำนักเอกบูลิมผู้ลวงรับไปแล้วผู้เป็นเจ้าของวิชาหวบซิงอันโด่งดัง โอ้ยังสั่งยกลูกแก้วขึ้นอธิษฐานข่าหน่อยไม่เข้าใจว่าการเป็นเช่นใดหากท่านซืือไทยพูดเป็นความจริงขอลูกแก้วจันทาไทยอิมจงแสดงปฏิหารว่าข้าจะต้องมีหน้าที่ในยุทธภพนี้สิ้นคําปากดเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นนางตกตะลึงมองไปบนท้องฟ้าหน้าวัด ปรากฏองค์วัสิงพระพุทธองค์กายเนื้อสีทองเปล่งประกายแสงเจิดจลัดเต็มท้องฟ้ายกมือประทานพรให้ฉับพลันนางรู้สึกเส้นขนทั่วสารพางกายลุกสู้ปิติแผ่ซ่านไปทั่วล่างมีสา ม, มารถเอื้อนเอ่อยวาจาใดๆออกมาได้เลยแม้จะกระทำการคาวะก็ลืมเสียสนิทวินาทีนั้น นางได้แต่หันหลังลุดหน้าลงเขาไปอย่างไม่เหลียวหลังอีกเลยโอหยางสัง่งเดินทางลงมาทางทิศใต้ประมาณสองเดือนก็ลุถึงภูเขาใต้อยู่สันตะเคลีบันพดณนะที่นี่นางได้สังเกตเห็นว่ามีคนมากหลายสะกดรอยตามนางโดยหวังจะยื้อแย่งห่อผ้าที่ซื้อไท้ไทอิมมอบแก่นาง นางได้รับความทุกข์ยากแสนลำบากแสนสาหัสเพื่อหลบหลีด้วยไม่ได้มีฝีมือยุดใดๆเชกเช่นหญิงสาวชาวบ้านทั่วไปในจำพวกคนที่ติดตามมานั้นมีภิกษุร่ปมหนึ่งปริยาหยาบคายโทสะเฉลิ้มเฉียวเขาเป็นคนที่สะกดรอยเก่งที่สุดชื่อภิกษุบอมิงคันภิกษุบอมิงไล่ติดตามถึงตัว จึง hmm! จกล่าวว ja er ่ามวยมวยจงส่งหอผ้าที่ซื right ้อไท้ไทยอินแก่เราเสียดีดีดรุณีตัวสั่นงันงกมิทันคิดหนีก็ถูกความมือพลิกชีพกระทับเข้าที่ซวงอกกระอักเป็นโลหิตนองพื้นร่างร้อยละเลิ้วลงสู่หุบเขาทันทีนางจะสิ้นชีพหรือเช่นไรโปรดติดตามตอนต่อไป